ฟังธรรมต่อก็จะพยายามพูดไยสิ่งที่มันมีมันเป็นที่ได้เห็นมาได้พบเห็นมาไม่ใช่คิดเห็นมาคิดเห็นมาเอามาพูดไม่ใช่อย่างนั้นพบเห็นของเท้ของจริงที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราหนี่เราจะมาฝึกตนสอนตน เรียนรู้มันให้ครบให้ทวนนะเรียนรู้มันทุกนง่ทุกมุมจะได้ใช้มันให้ดีเป็นไปเพื่อทางออกจากทุกให้เป็นไปเพื่อความสงบให้เป็นไปเพื่อปัจจนนิพานแต่ใช่ไม่เต็นมันก็ตกนรกปกห ม, หมัน อีกแล้วก็ฝึกหัดเรียนรู้นีสติดูกายดูจิตกานเห็นเรื่องเกิดขึ้นกับกายกับจิตทุกแง่ทุก ม, มุมเหมือนที่เกิดที่ดับ ของชิ้นต่างๆตอบได้หมดเหมือนเราเรียนหนังสือกลาเป็นตัวหนังสือเขียนว่าอย่างไนอ่านออกเขียนได้รู้ความหมายแค่ไหนเพียงไหลอ่านหนังสือได้แล้วปฏิบัติถูกต้องไม่ใช่รู้เฉยๆมันนี่รู้ตัวเราก็เช่นเดียวกัน บางทีมันเกิดขึ้นบางทีเราใช้มันตู้ทั้งสองทางที่เราใช้มันเราใช่วาจาให้ถูกต้องเราใช่กายให้กายแสดงออกทำในทางถูกต้องเราใช้ใจิตใจให้มันชิดที่ดี นี่คือเราใช่มันเป็นอันหนึ่งสิ่งที่มาเกิดขึ้นกับป่ากับจิตตอนนั้นก็ให้เห็นไม่ใช่เราใช่ความคิดบางทีมันเกิดขึ้นมาความคิดเกิดขึ้นมาทางกายเกิดขึ้นมาทางวาจาเกิดขึ้นมาทางกาย มีมากเกิดขึ้นทางวาจามีไม่มากเกิดทางกายสังจิตมีมากเป็นสุกเป็นทุกข์ความร้อนความหนาวความเจ็บความปวดมี่แล้วก็เห็นเพราะเราเรียนรู้เชื่อไห้เพียงาย มาใช่มาเกิดขึ้นที่กายมาเป็นสุขเป็นทุกข์คนไม่รู้มักจะมีเป็นสุขเป็นทุกข์ผู้เกิดขึ้นสิ่ง ท, ที่เกิดขึ้นกับกายอันนี้เรารู้แจ้งไม่เหมือกับรู้หนังสือมันรู้แบบพุทธภาวะรู้แบบปัญญาพุทธ มันมีตรงไหนที่ปิดบังกำพรางเคยพูดว่าให้เห็นไม่เป็นมันไปทำตัว น, นั่นมาชะลูดชะโอยสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับจิตบางทีเรื่องเว่าเกิดขึ้นกับกายอากายเป็นโรคจิต เป็นเช่นลายเป็นทุกข์ไปกับกายหรือแั้นก็ไม่ถูกต้องมันเป็นการเห็นสร้างสรรค์ช่วยกันอาทุกข์จิตใจไม่ทุกข์มันคนละอันแยกส่วนไม่ปนกันไม่ปนกันปนเปร้มั่ว ไม่มีเป็นระเบียบเรียบร้อยความเป็นระเบียบของแต่ละอารมีเชื่อไหนเพียงไรนั่นใช้เราจะมาเรียนจุแอ่อนบาลเพียงบา่าจติคือระลอกได้ก่อนผู้ก่อนทำก่อนคิด อันนี้มันเป็นอนุบาลอยู่แต่สิ่งที่ไม่ต้องเราเลือกได้ก่อนพูดก่อนทำก่อนชิดตัดเราใช้ได้เลยไม่ใช่เราเลือกตู้ก่อนเราใช้ได้เลยเรากว่าสาัญญาบัพพะเวลามาเกิดขึ้นเช่นาย มันมีเหตุปัจจัยจำนานากจำนานากในการเห็นบางที่ไม่ใช่ตระลึกรู้เอามาเกิดขึ้นเองของสิ่งต่างๆที่เกิดกับปลากับจิตใจ แต่เพราะเรื่องกายนี่ไม่จบไม่สิน้นแต่เรื่องจิตใจเนี่ยมันจบมันยืนหยัดสภาพที่เกิดกับจิดหยุดแล้วจบแล้วแต่สภาพที่เกิดกับกายยังไม่จบแต่ความหิวก็ต้องหิวต้องกินข้าวทุกวันอาบน้ำทุกวันต้องกิน เดินเดินนั่งนอนทุกเวลานาทีต้องหายเใยเข้าหายใจออกอันนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เราในรู้ก็เป็นสุขเป็นทุกข์ด้วยบางทีอาการเป็นเรื่องใหญ่สุทุกข์กอาการเป็นเรื่องสุขเรื่องทุกข์ ถึงใจถึงจิตใจถ้าจิตัจมันจบแล้วมันก็ไม่มีเป็นจิติยาสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายเป็นเพียงจิริยาไม่เป็นกรรมเลยพ้นจากกรรมได้ก็เป็นเปเองแต่ชีวิตชัดเจนแม่นยำ ก็ยังมีคำพูดบอกผิดบอกถูกแต่ีการที่ทำความดีลับความชั่วได้สำเร็จมั่นใจในการกระทำาพราะมันมีวัตถุให้เกิดการกระทำมีคำพูดเรียนสื่อตู้กันเรืยนบอกว่าความหลงไม่จริงความไม่หลงมันจริง กาก็เคยหลงกาก็เห็นว่าความหลงไม่จริงความไม่หลงมันจริงเข้าใจความทุกข์ไม่ดีความไม่ทุกข์มันดีรู้ได้แต่บางทีทําไม่ได้บางทีงงรู้ว่าความทุกข์ไม่ถุกไม่ดีความไม่ทุกข์ดีแต่ยังทํำไม่ได้ ผมโกรธไม่ดีผมไม่โกรธดีเสายงำไม่ได้ก็ยังไม่ถอนเ ล, ล่าถอนโผนถ้าเราปฏิบัติไม่ใช่จะไปรู้การรู้เนี่ยใช่ไม่ได้ต้องทำให้มันเป็นทำให้มันเป็นการทำให้รู้บอกเดี๋วนี้รู้เดี๋ยวนี้ลาความทุกข์ม่ดี ควาไม่ทุกดีความโกรธไม่ดีความไม่โกรธดีรู้แล้วแต่ว่าจะทำไม่เป็นแต่ทำให้เป็นต้องหาตัวเองแต่จะไปหนักตอนที่มันโกรธแล้วอดทนรอนั่นใช่ไหม่ายกูใกล้จะแช่งจึงวิ่งหาค้อนถูกกูกัดแล้วเจ็บแล้วจึงรัวมัน เก็บกังรูาผิดแล้วภาวะที่เป็นเดะภาวะที่ทำให้เป็นมันไม่อยากนั้นมันไม่เป็นแล้วไม่ใช่ลูกทำได้แล้วทมได้ก่อนก่อนก่อนที่มันจะโกจะทุกข์ถามันมีอยู่ก็เป็นความสนุก อ่าไทยเสีงโยงมันมีแต่เราอยู่ในมุ้งนอนในมุ้งฟังเสียงโยงมันบินอยู่ข้างนอกบางทีบรรดาจับข้างนอกก็สนุกสนุกในธรรมะเหมือนมีล่มในมือมีผลอยู่แต่เราไม่เปียกอันนั้นเป็นเปียบเหมือนกับวัตถุ ให้ทำฮะมันการเหยียบอยู่นั่นหละมันทุกเกียบอยู่บนทุกมันหลงเหยียบบนหลงมันโกรธเกี่ยบอยู่บนของโกรธสูงผู้โกรธสูงผู้ทุกข์ถ้าไม่มีทุกข์ถ้าไม่มีโุกมันไม่สูงจิตเตอมันจึงเป็นสิ่งที่เกณฑ์ชีวิตของผู้ฝึกเอง ถ้ามันฉะนั่นจะเลี่ยงว่าร่วงพ้นภพรา ะ, ะเดิมไม่ได้จะพิจารณาได้ที่มันว่ า, าร่วงพ้นภพรา ะ, ะเดิมคือวิปัจจานะนี่เพราะเหตุนี้ไม่ใช่ต่ำเพราะอารมณ์คือความทุกข์ทำามต่ต้อยลงไปเป็นทุกข์เจ้าอารมณ์ไม่เป็นเช่นนั้นนั่นยังทำไม่เป็น ยังทำไม่เป็น <c oughs> ยังเป็นอนุวานเวลาเมา่อก่ลนเรอดเราทนเราเวลามันทุกข์ก็กลมหน้ากลมตาสู้ไปโอมทุกข์ไว้โอมทุกไว้ก็เป็นทุกข์เพราะความคิดได้คิดที่ใดก็เป็นทุกข์คิดที่ใดก็เป็นสุข ก็เราผิดไปหมดทุกฝ่ายท่าหนังเพราะไม่เคยจำนานเพียงแต่รู้ว่าสติควรมาเลือกได้ก่อนพูดก่อนทำก่อนคิดแต่ใช่ไม่เป็นมนใช่ไม่เป็นก็ไม่มีคุณค่าเพราะว่าสติสามัญญะความหลุดพ้นว่าไม่มีคุณค่า ปัญญาพุท ธ, ธะมันมีคุณค่าเป็นไปเพื่อทางออกจากทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่ อ, อนิพพานธารมะชนนั้นมันไม่มีขี้สิ่งที้วัดหลุดออกมาได้โค้นออกมาได้สูงโกรเกเอาได้เห็นแกงในสิ่งที่มันมืดได้เรียกว่าวิปัสสนา สิที่คนอื่นทุกข์เราไม่ทุกข์สิคือสิ่งที่คนอื่นหลงเราไม่หลงเราก็เห็นกันอยู่ได้ยินคนพูดอยู่ได้เห็นการกระทาของคนอยู่แล้ว เ, เมื่อเราดูแล้วเราก็ได้เปรียบได้ เ, เห็นเขาสูบบุหรี่เราไม่สูบเราก็ได้เปรียบคนสูบบุหรี่หนึ่งเราเราไม่เสียเงินสองเราไม่เสียสุขภาพ เห็นจิ่งที่เราทิ้งแล้วกขยังทำอยู่ยังรูปยังทมอยู่นันก็เปรียบเทียบได้เราจึงมีงานนี้ขึ้นมาบอกคนสอนคนปล่อยกันที่งรรดาได้ยินคนพูดได้เห็นคนทำมัตเป็นงานของเรามันเฉยไม่ได้จราจะบอกได้ฟังบ้างมีอะไรก็บอกบ้าง บางทีสิงบางอย่างไม่ต้องใช้คนอื่นบอกแล้วบอกตัวเองดีที่สุดสอนตัวเองดีที่สุดจึงว่าฝึกตนสอนตนเตือนตนแก้ไขตนตนุ่ยต น, ยตนมีสติเพียงพอแล้วการใช้ชีวิตอยู่กับเราตลอดเวลาไม่ใช่อยู่หัวอาจารย์ที่ไหนเราสามารถทำได้ หลงรู้ตอนทันทีทันทีมันทุกลูกทันทีครับตรงนี้เพราะมีภาวะที่รู้เป็นพื้นฐานเป็นเจ้าเรือนเป็นเจ้าถิ่นเอาหนักไปแล้วมีสติไปนในกายอยู่เป็นประจำทัดกายอยู่เป็นประจำเผยขินมีสติอยู่ในความคิดอยู่เป็นประจำเห็นเป็นประจํา ไม่ใช่คิดเป็นคิดสุขเป็นสุขเพรความคิดไม่ไปถึงโนตนอะไรที่เกิดกับคิดที่ไม่ไเกเจต น, นาเห็นมันเราเป็นเจ้าเรือนอยู่แล้วเป็นเจ้าบ้านอยู่แล้วเจ้าทินอยู่แล้วยิ่งใหญ่ิตทิร้อยเปร์เซนสนุกใช้สิทธิเอนชอบทมกับตัวเอง มันเป็นโก้เป็นกรรมขึ้นมาสนุกปฏิบัติธรรมเห็นสิ่งที่มันเกิดกับตายกับใจได้เปลี่ยนความผิดเป็นความถูกได้เปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ได้เปลี่ยนความหลงเป็นความไม่หลงได้เปลี่ยนล้ายเป็นดีมันสนุกสนานเต่มันง่วงงอหอนเห็นมันตื่นจุดนี้จุดนอนจุดที่หลง ไปตื่นชข้มแข็งขึ้นมาแต่มั่นใจนสนุกแค่ขยันแค่ขยันเปลี่ยนล้ายเป็นดีเรียกว่ากรรมฐ า, านเรียกว่าความเพียฉ ร, ยรฉันทถวิยะจิตตวิโยชน์ตั้งวัปฏิจิตตานะติมีความพอใจอ พอใจว่าไม่ปล่อยทิ้งลนะกุศลเด่นเป็นขยนันขยนันสร้างกุศลมันก็ขยนันไม่ฟรีทำได้ทำได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้จึงขยันต่างทุกทุกคน ทำไมไปหลงทําไมไปทุกทําไมไปโกรธกันนะมันไม่ใช่ขี่ช่างขี่ม้ามาว่าที่มันโอ้ผู้ความคิดเฉยเฉยหลงผู้ความคิดเฉยเฉยอยากจะจับเห็นดึงกระซากออกมาเหมือนแม่พ่อเห็นลกูกน้อยจะตกลงมันเลยดึงออกมาอย่างแรงเก็บข้างมันแต่ว่าอันตรายถ้าไม่ช่วยมันมากกว่านั้น ตอนที่จะไปตะโกนหมอกันตอนใจจะขาดมันก็ประดาต้องเตือนตนหายแชไปได้หลงตาหายแชไมได้ทรมานทรมานหยุด อ, อ, อย่าไปอยู่กับหายใจออกมาอย่าเป็นสุขเปนทุกข์กัลมหายใจอยู่เฉยๆมีคนเตืนเตือนก็ยังพอวา่า มันไม่ทําเวลาก็ต้องเตือนตนรู้ขึ้นมานีรวมไม่เที่ยงแสดงออกรวมเป็นทุกข์แสดงออกรวมมาช่วยตัวตนมันสแเดงอยู่แล้วก็ได้ชานาญได้แต่นกเบิกทางได้เบิดทางได้ดไดรมไม่เที่ยงเกิดขึ้น เปิดทางไปสู่พระนิพานก็เป็นทุกข์เปิดขึ้นเปิดทางไปสู่พระิพานถ้าเราไม่เปิดก็ปิดตายตัวทุกข์เป็นทุกข์เป็นทุกข์ความเที่ยงเป็นทุกข์ความทุกข์ปิดตายตัวเลยมันก็ประตูจมนี้พอเราศึกษาไปเห็นรูปเห็นนาม ส้นลูกส้นหนามแล้วก็ปัดตันอยู่ต้งนี้หละลูกนี่มันมีความไม่เที่ยงลูปนี่มีความเป็นทุกข์ูปนี่มีความไม่ใช่ตัวตน้อยทั้งลอยอยู่นี่กันด้วยกันทั้งนั้นเป็นทุกข์เพราะความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เพราะความเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะไม่ใช่ตัวตน มันมันมีพลังเหมือ น, นทักเตอตตร์ตอติยประธานเนี่ยมันเหมือนทักเตอร์ใบมีป ด, ดปตะปลูกไปเลยเห็น <c oughs> มันเป็นรูปเป็นนามใเอารูปอนามาเป็นสุกันทุกเอารูปอนามาเป็นปัญญาเห็นท <c oughs> <c oughs> ่อาจารย์ตอิยเบิกทางไป ส ต, ติจึงเหมือนใบมีดรถแท็กเตอร์เปิดทางส ต, ติจึงเหมือนไม้กวดกวดออกให้สอดแต่ก่อนตั้งแต่เริ่มเกิดลูกศิลวงพ่อเทียนขึ้นรุ่นแรกตั้งคณะลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนรุ่นแรกวอาคณะไม่กวดไปตรงไหนบอกว่าคณะไม่กวด แล้วนี้ก็ไม่มีมันมันแต่ก่อนมันโล้นวิชามากเลี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วคณะไม่ขวดไม่อยากตั้งชื่อแบบนั้นมางคณะไม่ขวดก็เลยแต่ไม่เป็นไม่ขวดก็มีัางทีเป็นผ้าขี้ริ้วไปกเลยตั้งใจแล้วจริงนะแต่ก่อนมันโล้นวิชานะโคตรแรงกว่า ทุกวันไม่มากแต่มันไม่มีใครพูดใครสอดกันเรื่องสุบบุหรี่เรื่างกินมากเรื่องงูหลงงมงายไม่ค่อยมีกันต่อมาพูดเรื่องไม่สุบรุรีไม่กินต่างคนเขาก็โกรธเอาว่าทำลายปรเปเลยเอง แ <c oughs> ต่เพื่อนีกันวลานลาหนุ่มไปขอสาวตกลงกันได้ต้องกินหมากกันแมนบ๊แมน อ, อกนะ <c oughs> ต้องกินหมากสุโขเรียกกันถ้าไม่กินหมากกันมันเขินกันมันมันนม่ไตกลงกันแล้วต้องกินหมากอินทูกั น, ก, นกินของกันแล้วกันนี่ย เขินเลยนะแต่เขนตกตบอบจางหนักเลยทำลายจึงมาบอกให้เลิกกินปาาทูปรีอันพิดปเพนี่ทำลาจึงมาบอกว่าให้โซปรีทำ า, จ, าจึงมาบอกว่าให้งูหลงอมไวทำลายชาธินา ไปเทศเจียวที่บ้านบูโฮมเขาเอาพริกไปเผาใต้ทุดสา <c oughs> เอาขนาดนั้นนะสมัยก่อนนะไม่เหมือนทุกวันนี้ไปเทศบ้านบูโฮมรุ่นนั่นก็ชีกไปแล้วแตไม่ในเทศกนเดินเขาเทศแต่ว่าไปด้วยกันขณะไม่กวด เดี๋ยวนี้ก็มันเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกสูงเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านไปพูด น, นำอยู่โอ<ม>เห็นหน้ากันนะโอ้ก็นะไม่ปวดที่ถูกเผากระพริกอุ่นที่เนี่ยครับครับครับครั บ, ร บ, บเป็นคนดีอั น, นยังยืนหยัดอยู่เป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านคคกสูงอีกคนหนึ่งก็เป็นอบพอตอ มาเยี่ยมมาเอาต้นเมื่อไกับจานตุ้มนั <c oughs> ่นนี่มันเบิกทางจริงๆนะสติปัฏฐานเนียมันน่าจะไปตันนอะไะทุกปภมทุกเนี่ยมันไม่น่าจะตันตรงนี้เลยทุกภวทุมไม่เที่ยงมันน่าจะตันเลยง่ายๆเช่นผมบงังโูเขา ความไม่เที่ยงก็ต้องมอบไปความไม่เที่ยงมันปล่ยจะให้มันเที่ยงอย่างไงแต่เป็นทุกข์ก็ ม, มอบไปความเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนที่เป็นทุกข์จะหาใจไม่ได้หลงตาทรมานแหมแล้วความไม่เที่ยงไปความเป็นทุกข์มาเป็นทุกข์ทุกข์ทรมานทรมานหยุดออกมาออกมาเงียบตะโกนเสงโง่ยื มันได้เงียบสงบมัวนิ่งแล้วเขาก็จะแดงว่าเออเออออกมาอยู่นี่ก็สบายหลงตาสบายเออนะอยู่นั่นนะอยู่ตรงนั่นนะอยู่ตรงที่ไม่เป็นอะไรนั่นนะหลับตาหลับตารับตานับไปเลยดับเครื่องดับเครื่องหยุดชนมันเลยแล้วว่าดับเครื่องชน เหน็บเครื่องชนคมไอเที่ยงเพราะไม่มีตัวตนที่เป็นทุกข์แล้วก็ตายไปด้วยความสงบงอนยิ้มไปเลยนี่จะให้เป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ค่อยจะมีบางทีมันก็ไม่ไจะอยู่ด้วยการฝึกตนสอนตน้นแน่นอนที่สุดเกิดจเจ็บน้อยชีวิตของเราเนี่ยต้องเก่งไปถึงอนุบาลพี่ป่า กับหมดกายอยู่เป็นปจัจจอยเห็นกายเห็นเวทนาเห็นควาคิดเห็นธรรมเบื่อชั่นไปแล้วก็มีโท่านี้อะไที่เป็นกายอะไที่เป็นเวทนาสุขทุกข์มอบให้เวทนาสักว่าเวทนาไปแล้วอะไรที่เป็นความคิดนั่นก็อมอบให้สักว่าควาคิด อะไรที่เป็นธรรมก็ม่อมัยส่จธรรมความโกรธก็สัแต่ว่าความโกรธมันไม่ใช่ตัวใช่ตนความสุขสัจว่าความสุขไม่ใช่ตัวใช่ตนความทุกข์สั่ว่าความทุกข์ไม่ใช่ตัวใช่ตนมันไปแล้วไปแล้วเพี้งไปแล้วกานานไปแล้วผ่านชั้นอนุบาลไปแล้วเห็นเถอะนะเราเป็นทุกข์ความไม่เที่ยงเห็นไปหมดแล้วปัญหา เปิดเผยเปิดตำลตะแดงออกเป็นคลงไปเลยมีความผิดก้องถูกอยูเท่าไหร่ออกมาให้เห็นหมดสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนี่ไม่ปิดปังอภิางอะไรเลยรูกทบน้อมทํเอารูบทุกน้อทุกเอาโชมารูกสมมุิน้อมมุติ โชว์มารู้บัญยัตินาอมบรญยัติโชวม์ ม, มาอรรมตชัดเจนความท็คขอ ง, จ, ของจริงโชว์มากุศลต่กุศลโชว์มามตอนนี้เกโชว์หมดเปลือกโชว์หมดเปลือกสารภาพสารภาพต่อสติปัฏฐานเหมือน จำนวนทิภากษาตุลาการทิภากษาตัวเองที่เคยเป็นจำเลยสิ่งต่างๆมาเป็นสุขเป็นทุกข์ทุกข์ก็เป็นทุกข์สุขก็เป็นสุขเป็นจำเลยควาสุขควาทุกข์มาเป็จำเลยความโลภความหลงมาเป็นจำเลยเป็นจำเลยจะเดือดรหามาพิภากษาไม่เป็นจำเลยเลยอิสละภาพ อิจฉาภาพเหงื่อกรางเกิดแก่เจ็บต่อยเห็นแจ้งตามความเป็นจริงเทียบท่าขึ้นผ่องเ้าใชาหา่หรืม ก็คือนอะายจนสรรพสมบัติของเราไม่มีโอกาสไหนที่ไหนเวลาใดเท่ากับเวลาที่เราเป็นชีวิตหายใจเข้าหาเจออกอยู่นี่ให้เราได้มั่นจาก เนี่ยเวลานี่ยได้ยินอาจารย์ตุ้มบอกว่าอาจารย์กาพลได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นในในปีนี้ทำไมจึงมีบุคคลดีเด่นมีุเป็นบุคคลดีเด่นในด้านคุณธรรมพันธการเลื่อนไหวไม่ได้แต่เป็นคนดีเด่นจะได้รับรางวัลวันที่วันที่ยี่สิบ ตัวลนะหนึ่งเราก็จะไปรวมร่วมคนพิการเท้ๆทำไมมีคธรทำได้ตนสอนตนจน ต, นตน็มที่แล้วเท่านี้ไม่พอยังไปสอนคนอื่นในสมคัญที่สุดการฝึกตนได้เนี่ยไม่เท่าไหร่ยังไม่มีคุณธรรม ตอนที่ไปสอนกนเดินให้ลู้ตามเนยต้องมีความเพียรในความอดทนนานทนพิการเนี่ยได้มีความเพียรไปสอนคนเด่นบอกความเทัดความจริงให้คนอื่นได้ฟังทั้งละทายจนคนยอมรับเป็นดาราในสังคม ทุกสถาบัานการกระพดแสดงทำหมดพวกเรานี่ อ, อกส้อมโสทำไมามาสู้กับผมหลงเทียดีไม่ได้ช่วยตัวเองก็ไม่ได้ยังปล่อยเรืองหลงปล่อยเรืองเป็นทุกข์เป็นโศกอยู่มันจะก็ช่วยคนอื่นได้ยังไงตกมา อ, อกขึ้นมา กูบฝึกตนสอนตนปาก็ถือเรื่อ น, นะปฏิบัติธรรมยากจะแข็งกันยากจะแข็งอยู่ในในเจเสมอจบตกอยู่เลยไม่ประมาจใชชีวิตอย่างไม่ประมาทเอาชุดตัวไปเอาชุดโหม เราเดินยังก้มเวลานั่งสร้างกงบะไ แ, แล้วไหนก็มีสติดดปปเลื่อยไนะเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันทำปันเดียวกันอยู่กันเหมือนคนคนเดียวกันแม่เขาหลงเขากดพยายามจะไม่หลงอย่าไปโกดไปเครื่องกัน บางทีเขาจะลู่ตัวเขาจะสอนตัวเขาเองเขาได้บทเรียดเขาเองเขาจะพัฒนาเขาเองให้มีความเมตต า, นนาต่อกันพรจะช่วยกันทาไนไล้ได้ก็ช่วยกันตายคนหูงข้าวหุงข้าวกันไปคนก่อสร้างซ่อมแซมก่อสร้างแซมกันไป มีครบแล้วพวกเราเลยพุฒนบริษัทหุ้นชวนใหญ่ถือว่ามีความพร้อมพอสมควรเขาจะให้เป็นมัดล่างนแต่เสาสลากติดไม่มีใครมาอยู่เราก็ มันมีค่าอะไรเลยแต่เห็นคนมาปฏิบัติธรรมมาเยวะเยวาปไปกินข้าเห็นถือเป็นโตไปกินข้าวฮิวเป็นโตมาเข้ามากินนี่ชื่นใจนะนอะดีไหมเฮ้ <Yeah. S 1> <laughs> กลัว่าอย่างเดียวกลัววัดเจร้างไม่มีใครมาจูปิบันอยากจะเห็นเวลาทําวัดชช้าธรรมวัดเย็นอยากจะเห็นอยากจะบอกอยากจะพูดตอนนี้อย่างนี้นะทาบีบีอะไรเลยทำเดือดอะไรไอ้เ <c> อ <oughs> ้าจวงเราเราก็โง่เดียวกันมาร่วมกันเถอะ มาศึกษาสตินี่แหละเอานี่แหละไม่มีอะไรดอกนี่สติปัญญนการปัญญาจำกู้ฉันเข้าเยี่ยชันดอกอั่นงเงียเลยไปกอบเป็นกําขึ้นมาจริงๆอย่าอ้างว่าแกว่าเท่าหนุ่มสาวอ่าอ่าสมขวนเจอเวลากับครอบกัน